วันนี้พวกเราก็ได้มาร่วมกันทำความเพียรอีกครั้งหนึ่งการทำความเพียร น, นี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากต่อผลต่างๆที่เราต้องการกัน สิ่งที่เราต้องการทำความเพี่ยนนี้คือการเจริญมรรคดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้ในกิจพระอริยสัจสี่ว่ามรรคต้องเจริญให้สมบูรณ์ตอนนี้มรรคของพวกเรายัางไม่สมบูรณ์กัน เราจึงต้องมาเร่งความเพียรมาเจริญมากให้สมบูรณ์เพราะวันเวลาของเราจะมีน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเราไม่รีบเร่งทำความเพียรเสียแต่บัดนี้ต่อไปเวลาจะไม่มีเวลาหมดแล้ว เราก็จะไม่สามารถทำความเพียรได้แล้วจึงต้องคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าเรากำลังเดินเข้าหาความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายที่จะเป็นอุปสรรค ต่อการเจริญมรรคถ้าเราไม่มีมรรคเราจะไม่มีเครื่องมือที่จะมาใช้ในการดับทุกข์ได้ดังนั้นเราจึงต้องพยายามใช้เวลาอันมีค่าของเรานี้ ให้ไปกับการเจริญมรรคให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่างพระภิกษุพระพุทธเจ้าก็ส่งสอนให้เจริญมรรคตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยมรรคที่สำคัญข้อแรกก็คือสติ เพราะก่อนจะมีสมาธิมีปัญญาได้จำเป็นจะต้องมีสติก่อนถ้ามีสติแล้วเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบพอใจสงบแล้วเวลาใจเกิดความอยากเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็ จะสามารถนำเอาปัญญามาละความอยากมาดับความทุกข์ได้มักจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการที่จะทำให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ความทุกข์นี้เราต้องเห็นถ้าเราไม่เห็น เราก็จะไม่ไปจัดการกับมันถ้าเราไม่เห็นว่ามันเกิดจากความอยากเราก็จะไม่ละความอยากเมื่อเราไม่ละความอยากความทุกข์ก็จะไม่มีวันหมดไปเราจะเห็นความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้ก็ต้องเห็นด้วย มักก็คือสมาธิเห็นว่าเวลาใจสงบนี้ใจไม่ทุกข์พอใจไม่สงบใจเกิดความอยากขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็สามารถที่จะใช้ปัญญามาสอนใจให้ละความอยากโดย สนใจให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจอยากได้อยากมีอยากเป็นนั้นไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเวลาได้ก็มีความสุขเวลาหมดก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาที่อยากได้ใจก็ไม่สบายแล้วใจไม่สงบแล้ว แล้วเวลาได้มาแล้วก็ต้องมากังวลกับการดูแลรักษาก็ไม่ก็ไม่สงบเอกเหมือนกันแล้วเวลาที่เสียไปก็ไม่สบายใจเป็นความทุกข์ตั้งแต่ยังไม่ได้ ตั้งแต่เริ่มอยากก็เป็นความทุกข์แล้วขณะที่แสวงหาก็เป็นความทุกข์ขณะที่ได้มาแล้วก็เป็นความทุกข์ขณะที่สูญเสียไปก็เป็นความทุกข์เพราะใจไม่สงบนั่นเองอันนี้จะเห็นได้ด้วยปัญญา คือต้องเห็นว่าของทุกอย่างที่ใจยอยากได้นี้ไม่เที่ยงได้มาแล้วหรือกำลังอยากจะได้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะสั่งหรือจะห้ามให้สิ่งต่างๆนั้นเที่ยงได้ให้อยู่กับเราไปตลอดได้ ให้เป็นของเราไปตลอดได้ใจของเราก็จะทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ไปถ้ามีความอยากที่จะได้เขามาเป็นสมบัติของเราถ้าเห็นด้วยปัญญาเห็นขณะเห็ น, เ ห, นเห็นในขณะที่จิตเปลี่ยนจากความสงบมาเป็นความไม่สงบ ก็จะเห็นความแตกต่างจะเห็นว่าเวลาใจไม่สงบนั้นเวลาใจอยากนั้นทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นมาถ้าอยากจะให้ใจกลับคืนสู่ความสงบก็ต้องหยุดความอยากนี่เป็นมรรคที่เราต้องเจริญให้มากถ้าใจเราไม่มีสติพอ กำลังไม่พอใจของเราก็จะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้พอใจไม่สงบเราก็จะไม่เห็นความแตกต่างระหว่างความสงบกับความไม่สงบว่าเป็นอย่างไรเราจะไม่เห็นเหตุของสิ่งที่ทำให้ใจไม่สงบว่าเกิดจากอะไรเราจึงต้องพยายาม จเจริญมากให้มากโดยเฉพาะข้อแรกก็คือสติที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้นักบวชเจริญตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่ว่าจะทำอะไรให้มีสติคอยควบคุมความคิดของใจไม่ปล่อยให้ใจคิดเรื่ยเปื่อย ไม่ปล่อยให้ใจคิดไปในทางความอยากต่างๆอันนี้ถ้าได้มีเวลาอยู่แบบนักบวชอยู่แบบพระทีกสุอไม่มีภารกิจการงานที่อย่างอื่นที่จะต้องไปทำมีภารกิจที่จำเป็นต่อการดูแลร่างกายเท่านั้น เช่นอาบน้ำอาบท่ารับประทานอาหารทำความสะอาดที่อยู่อาศัยทำความสะอาดซักเสื้อผ้าภารกิจเหล่านี้ก็ไม่ต้องใช้ความคิดมากสามารถเจริญสติควบคู่ไปกับการทำภารกิจเหล่านี้ถ้ามี โอกาสหรือมีเวลาได้อยู่แบบนักบวชอยู่แบบพระภิกษุได้การที่จะเจริญมากให้สมบูรณ์ก็จะสามารถทำได้อย่างง่ายดายเจริญ ม, มากตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจเจริญสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาไม่ปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปลื่ยให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง ที่จะเดี่ยวรั้งจิตใจไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จะอยู่กับกรรมบริกรรมพุทโธก็ได้จะอยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกระทําของร่างกายก็ได้ให้คอยเฝ้าดูร่างกายในทุกิริยาบทของการเคลื่อนไหวไม่ให้ใจคลาดไม่ให้คลาดจากสายตาของใจ ใจต้องอยู่กับร่างกายไปตลอดเวลาถ้าทำอย่างนี้ได้มีสติอย่างนี้ได้เวลานั่งสมาธิใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้เวลานั่งสมาธิก็ถ้าดูร่างกายดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ให้ดูที่ลมหายใจเข้าออกขณะที่นั่งหลับตา แล้วก็อย่าให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับลมเพียงอย่างเดียวลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจสั้นก็รู้หายใจยาวก็รู้ให้รู้ตามความจริงไม่ต้องไปปรับไปควบคุมบังคับลมหายใจต้องการใช้ลมหายใจ เป็นที่ยืดเหนี่ยวของจิตใจเพื่อไม่ให้ไปหาสิ่งอื่นๆไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องต่างๆแม้ในขณะที่นั่งจะมีอะไรปรากฏให้รับรู้ก็ไม่ให้ไปสนใจให้สนใจอยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวไปจนกว่าจิตจะรวมเข้าสู่ความสงบจน ปล่อยวางลมปล่อยวางร่างกายไปในที่สุดเหลือแต่สัจธรรรู้เป็นความสุขที่มหัศจรรย์ใจเป็นอุเบกขาแล้วก็ปล่อยให้อยู่ในสภาพนั้นไปจนกว่าจะถอนออกมาเองเวลาถอนออกมาแล้วนี่ จิตก็ยังสงบอยู่ถ้ายังไม่มีความคิดปรุงแต่งไปในทางความอยากแต่พอคิดไปในทางความอยากนี้จิตก็จะกระเพื่อมขึ้นมาทันทีเหมือนกับน้ำที่นิ่งแล้วมีปลาผลขึ้นมาโผล่ขึ้นมาน้ำที่นิ่งก็จะมีคลื่นขึ้นมาทนใยใจที่สงบแล้วเกิดความ อยากขึ้นมาเมื่อไรใจก็จะก็เพิ่มขึ้นมาเริ่มเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาอันนี้แหละที่เรียกว่าสมาธิสนับสนุนปัญญาเพราะมีสมาธิแล้วก็จะทำให้สามารถเห็นทุกข์ได้ ทุกที่ต้องกำหนดรู้ทุกที่ต้องเห็นเช่นเวลาออกจากสมาธิแล้วไปคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยสมมติว่าเราเป็นโรคมะเร็งหมอบอกว่ารักษาไม่หายเราก็เลยต้องมาบาบัดจิตใจของเราไม่ให้ทุกข์กับโรคมะเร็งไม่ให้ทุกข์กับความตาย เราก็เข้าไปในสมาธิทําใจให้สงบเวลาใจสงบความทุกข์เกี่ยวกับโรคมะเร็งก็จะหายไปเพราะใจไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องของโรคมะเร็งนี่อพอออกจากสมาธิมาถ้าปล่อยให้ใจไปคิดถึงโรคมะเร็งก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เพราะอยากจะหายอยากจะไม่ตายก็เลยเกิดใจใจก็เลยเกิดความกระเพื่อมขึ้นมาถ้าใช้ปัญญาเข้ามาแก้ถ้าปัญญะถ้าปัญญาพิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดา ร่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ถ้าใจยอมรับความจริงใจก็จะเฉยกับความเจ็บไข้ได้ป่วยกับโรคมะเรกับความตายที่กำลังจะเข้ามาหาพอใจยอมรับความจริงว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ ร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นอนัตตาไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้เขาไม่ใช่เป็นของเราเราต้องยอมรับความจริงพอยอมรับความจริงว่าก็คือยอมตายนั่นเองพอยอมตายแล้ว ยอมเจ็บแล้วยอมอยู่กับโรคมาเ่งไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปถึงเวลามันจะตายก็ยอมตายไปความอยากหายหรืออยากไม่ตายก็จะหยุดไม่ทำงานความทุกข์ก็จะหายไปใจก็จะกลับมาสู่ความสงบกลับมาสู่ความสุขใจสามารถมีความสุข กับความเจ็บไข้ได้ป่วยได้กับความตายได้ด้วยอำนาจของมรรคก็คือสติสมาธิและปัญญานี่เองนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราจะริญสติแล้วเราเข้าสมาธิพอออกจากสมาธิมาพอใจคิดไปในทางความอยา เราใช้ปัญญาเข้ามาสอนใจใจก็จะหยุดความอยากได้ไม่ว่าจะอยากกับเรื่องอะไรสามารถใช้ายลักษ์เป็นเครื่องมือสอนใจได้เสมอนอกจากความอยากในกามอารมณ์ที่ต้องใช้อสุภะเข้ามาแก้ถ้าเราอยากจะมีแฟนหรืออยากจะให้แฟน เป็นของเราไปตลอดพอดีแฟนเขาอยากจะไปอยู่กับคนอื่นหรือเขาไม่ชอบเราเขาไม่ยอมอยู่กับเราถ้าเราพิจารณาอสุภะของเขาดูความไม่สวยไม่งามของเขาเราก็จะไม่อยากได้เขามาเป็นแฟน เขาจะไปเป็นแฟนของใครเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราละการอารมณ์การที่เราอยากจะเสพกวามกับเขาได้เราไม่ต้องเสพก็ได้ถ้าเรามีความสงบรักษาใจให้สงบด้วยการละการอารมณ์ด้วยการพิจารณาอสุภะพอการอารมณ์ดับไป ใจก็มีความสุขแล้วไม่ต้องเสกกรรมไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมาทุกข์กับแฟนนี่ก็คือเรื่องของการใช้ปัญญาใช้สมาธิในการที่จะทำภารกิจคือกำหนดรู้ทุกข์คือเห็นทุกข์และละสมุ ท, ทยัย ผู้ที่สร้างความทุกข์ให้แก่ใจถ้ามีสมาธิมีปัญญาแล้วจะเห็นทุกข์กับสมุทายนี้อย่างชัดเจนว่ามันเกิดขึ้นภายในใจของเราปัญหาของเราไม่ได้อยู่กับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้หรืออยู่กับร่างกายอยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่กับความตายของร่างกาย แต่ปัญหานี้มันอยู่ที่ใจของเราไปทุกข์กับมันด้วยความอยากของเราเองอยากไม่ให้ร่างกายเจ็บอยากจะให้ร่างกายหายหเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ไปเจอโรคที่รักษาไม่หายยิ่งอยากให้หายก็จะยิ่งทุกข์ล้อยากไม่ให้ตายพอรู้ว่าจะต้องตายก็จะทุกข์มาก แต่ถ้าเห็นด้วยปัญญาว่าร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีใครมายับยั้งมันได้ถ้ายอมแก่ยอมเจ็บยอมตายแล้วก็จะไม่ทุกข์นี่แหละเรียกว่ามรเรียกว่าเป็นการปฏิบัติภาร ก, กิจในอรลยาาสัตย์ชี เราต้องใช้มรรคเป็นตัวนําในการปฏิบัติภารกิจในริยะสั้นสี่เพราะเราต้องใช้สติสมาธิปัญญาในการกําหนดรู้ทุกในการเห็นทุก์และต้องใช้ในการละสมุทัยเพื่อที่จะทําให้เกิดนิโรธคือการดับของทุกปรากฏขึ้นมางานทั้งหมด ภารกิจในอริยสัจสี่จึงต้องเริ่มต้นที่การเจริญมรรคเป็นหลักถ้าเราเจริญมรรคแล้วเราก็จะสามารถทำภารกิจอีกสามข้อได้กำหนดรู้ทุกข์ได้ละสมุทัยได้ทำนิโรธให้แจ้งได้อยู่ที่การเจริญมรรคอยู่ที่การเห็นว่า ไม่มีอะไรในโลกนี้จะสาคัญเท่ากับการเจริญมรรคเท่ากับการความเพียรพยายามที่จะเจริญมรรคให้มากที่สุดให้เร็วที่สุดให้สาเร็จอันนี้เฉพาะเวลาของเรามันจะน้อยลงไปเรื่อยๆวันเวลามันไม่คอยใครมันไม่คอยเรา ไม่เหมือนกับบางของบางอย่างที่เราอาจจะขอให้เขาคอยเราได้เช่นขอให้คนนั้นคนนี้คอยเราหน่อยแต่เวลาเขาไม่คอยเราเขาจะผ่านไปผ่านไปเขาจะไปตามยังหวะของเขาถ้าเราไม่รีบสร้างมรรคขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้เห็นทุก เพื่อที่เราจะได้ละสมุทัยเพื่อที่เราจะทำนิโรธให้แจ้งขึ้นมาเราต่อไปจะไม่มีเวลาทำแล้วเมื่อเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสอย่างนี้อีกเมื่อไหร่ที่จะได้พบคำสอนแบบนี้ เราถึงควรที่จะเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทําอะไรอยู่เรากําลังเจริญมากอยู่หรือเปล่าเรากําลังเจริญอะไรถ้าเรากําลังเจริญลาบยศสรรเสริญจเจริญความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายก็แสดงว่าเรากําลังเดินผิดทาง เพราะการเจริญราบยศสรรเสริญเจริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ไม่ได้เป็นการเจริญมากเพื่อไปสูก่การดับความทุกข์ต่างๆอ่่เป็นการเจริญสมุทยัยก็คือความอยากต่างๆให้มีเพิ่มมากขึ้นให้เกิดความทุกข์เพิ่มมากขึ้น และจะต้องเจอความทุกข์เพราะว่าลาบยศสละเสรนี้ไม่ได้มีแต่การเจริญเพียงอย่างเดียวมีการเสื่อมด้วยเหมือนกันเพราะเป็นใจลักเหมือนกันเป็นอ น, นิจจังไม่เทีย่ยวมีเจริญย่อมมีเสื่อมไปเป็นธรรมดา มีเกิดย่อมมีดับไปเป็นธรรมดาไม่ช้าก็เร็วราบยศละเสริญและความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายก็จะต้องเสื่อมและจะต้องหมดไปเช่นเวลาที่ร่างกายตายไปราบยศละเสริญและความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายก็จะหมดไปพร้อมๆกับความตายของร่างกาย ใจที่ยังต้องมีการเจริญของลาบยศสรรเสริญของความสุขทางตาหูจมูกล่างกายก็จะต้องทุกข์และจะต้องเดินรนไปหาร่างกายอัน ใ, ใหม่ไปเกิดใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาราบยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายต่อไปใจก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารนี้ต่อไปต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพรากจากสิ่งต่างๆซ้ำแล้วซ้ำอีกไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดกองทุกข์ก็จะมีใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ น้ำตาที่หลังในแต่ละพบแต่ละชาติก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนจะมีมากกว่าน้ำในหมหาสมุทรที่ถ้าเราหลงทางเดินทางผิดถ้าเราไม่เอาเวลาอันมีค่าของเราในขณะนี้มาเจริญมรรคอย่างวันนี้พวกท่านเอาเวลามาเจริญมรรคกัน มาฟังเทศฟังธรรมมาเจริญสติมาเจริญสมาธิมาเจริญปัญญาการฟังเทศนี้ได้ทั้งสามเลยเวลาฟังเทศก็ต้องมีสติใจจดจ่ออยู่กับการฟังเมื่อฟังแล้วใจก็จะสงบฟังแล้วก็ได้ปัญญาได้รู้จักวิธี พิจารณาพระอริยสัจสี่รู้จักวิธีปฏิบัติภารกิจในอริยสัจสี่เพื่อทำให้เกิดนิโรธความดับทุกข์ขึ้นมาเป็นขั้นขั้นไปดับทุกข์มีอยู่สี่ขั้นขั้นพระโสดาบันขั้นพระสกิดาคามีขั้นพระอนาคามีและขั้นพระอารหาันต นี่ก็เป็นสิ่งที่จะได้จากการมาทำความเพียรมาเจริญมากกันมาได้ปัญญาในระดับแรกคือสุตรรรมะยปัญญาถ้าพิจารณาตามได้เข้าใจก็จะเกิดจินตามยปัญญาถ้าละความอยากได้ก็จะเป็นภาวนาไมยปัญญาดับความทุกข์ใจได้ เช่นก่อนมานี้มีความทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยเช่นเป็นโรคมะเร็งหมอบอกว่าจะต้องตายไปในระยะเวลาสามเดือนพอได้ยินได้ฟังธรรมจิตใจรวมเข้าสู่ความสงบแล้วก็พิจารณาว่าร่างกายนี้จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ไม่ว่าจะเป็นของใครห้ามไม่ได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจต้องยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายพอพิจารณาตามเห็นตามความจริงเห็นตามความจริงยอมตายได้ความทุกข์ใจก็จะหายไปจะไม่เดือดร้อนจะไม่วุ่นวายกับความตายที่จะตามมา จากการเป็นโรคมะเร็งนี่คือทาที่เราผลที่เราจะได้รับจากการมาทำความเพียรมาเจริญมากกันดีกว่าที่เราไปเจริญลาบยศสรรเสริญเจริญความสุดทางตาหูจมูกลึ่งกายกันพอเวลาที่เราต้องมาเจอกับความแก่มาเจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วย เจอกับความตายเราจะไม่มีมรรคไม่มีเครื่องมือที่จะมาดับทุกข์ละตันหาความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ลาบยศจะรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ว่าจะมีมากมีน้อยเพียงไรจะไม่สามารถที่จะมาละตัณหาได้ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ได้ นอกจากมรรคเท่านั้นเราจึงควรที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราให้กับการเจริญมรรคให้มากๆถ้ามีอะไรเป็นอุปสรรคขัดขวางเราเราก็ต้องตัดมันออกไปถ้าเรายังต้องทำงานทำการหาเงินหาทองใช้เงินใช้ทองอยู่เราก็ต้องตัดมันไปให้ได้ เพื่อที่เราจะได้มีเวลามาเจริญมรรคกันถ้าเรายังตัดไม่ได้ยังต้องหาเงินหาทองยังต้องใช้เงินใช้ทองอยู่เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาเจริญมรรคเราจะไม่สามารถที่จะรักษาสิลนห้าสิแปดได้ถ้าเราไม่โลภไม่อยากได้เงินทอง ไม่อยากใช้เงินทางซื้อความสุขต่างๆเราก็ไม่ต้องหามากเราก็ไม่ต้องทำบาปทำกรรมเราหาได้อย่างสบายเพราะเราไม่ต้องมีความต้องการมากนั่นเองเราก็จะรักษาศี่ห้าได้พอเรารักษาศีลห้าได้เราก็จะรักษาสีลแป ด, รรดต่อไปได้ในเบื้องต้นก็อาจจะ ลองรักษาไปอาทิตย์ละหนึ่งวันก่อนเช่นในวันที่เราว่างจากภารกิจการงานเราทำวันนั้นให้เป็นวันพระเป็นวันที่เราจะมาปฏิบัติธรรมมาเจริญสติทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับสลับกับการนั่งสมาธิสลับกับการเดินจงกรมสลบับกับการทาภารกิจการงานต่างๆสลับกับ การฟังเทศฟังธรรมทำอย่างนี้ไปทั้งวันในวันหยุดของเราทำภารกิจในการสร้างมรรคขึ้นมาสร้างสติขึ้นมาสร้างสมาธิขึ้นมาสร้างปัญญาขึ้นมาโดยการรักษาศีลแปดเพราะศีลแปดจะป้องกันไม่ให้เราต้องไปเสียเวลากับการทำภารกิจทาง ทางตาหูจมูกลิ้นกายคือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ถ้าเราไม่มีศีลแปดมันก็จะฉุดล่ากให้เราไปเสียเวลากับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแ้ะเราก็จะสูญเสียเวลาอันมีค่าให้กับการปฏิบัติไปผู้ที่จะ ปฏิบัติจเจริญมากจึงจำเป็นจะต้องมีศีล ร, ระดับศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่บเจ็ดนี่เป็นศีลที่จะสนับสนุนในการบำเพ็ญจิตตะภาวนาในการจเจริญสติจเจริญสมาธิแล ะ, จะเจริญปัญญาพอเรารักษาศีลแปดได้แล้ว ว่าเราก็จะรักษาได้เพิ่มมากขึ้นไปถ้าการเจริญสติการบำเพ็ญจิตตภาวนาของเราคืบหน้าก้าวหน้าถ้าเรามีสติที่ต่อเนื่องเราจะสามารถควบคุมความอยากที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้จะทำให้เรารู้สึกไม่เดือดร้อนกับการรักษาสินแป จะรู้สึกเฉยเฉยรู้สึกสบายหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็ไม่หิวกับอาหารไม่หิวกับการดูอะไรต่างๆฟังอะไรต่างๆดื่มรับประทานอะไรต่างๆเพราะมีสติคอยกํากับคอยควบคุมใจแทนที่จะเอาเวลาไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เอาเวลามานั่งสมาธิทําใจให้รวมเป็นหนึ่ง ให้ใจสงบให้ใจมีความสุขถ้าได้ความสุขจากความสงบแล้วจะเบื่อกับความสุขที่ได้จากทางตาหูจมูกลิ้นกายจะอยากจะมีความสุขทางความสงบนี้ให้เพิ่มมากขึ้นก็จะมีฉันทาวิริยะที่จ ะ, จะเจริญสติจะนั่งสมาธิให้มีเพิ่มมากขึ้นไป แล้วพอออกจากสมาธิมาก็มาคอยเฝ้าดูใจไม่ให้ออกไปในทางความอยากถ้าไปก็ใช้ปัญญาเข้ามาส ก, กัดใช้ตจลักใช้อสุภะเข้ามามาส ก, กัดว่าเป็นความสุขเดียวๆสุขแล้วก็ไม่อิ่มไม่พออยากอกีกต้องหามาอกีก ต้องดูอีกต้องฟังอีกต้องดื่มต้องรับประทานอีกทำไปเท่าไหร่ก็ไม่พอเวลาไม่ได้ทำก็จะทุกข์สู้หยุดความอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าทำใจให้นิ่งให้สงบให้ว่างไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆใจก็จะกลับคืนสู่ความสุขที่ดีกว่า นี่คือหน้าที่ของปัญญาคอยแก้ปัญหาคือความอยากสกัดทําลายความอยากไปต่อไปความอยากก็จะหมดไปจากใจแล้วใจก็จะไม่มีอะไรมาทำให้ใจต้องวุ่นวายต่อไปใจจะมีแต่ความอิ่มความพอ ม, มีแต่ความสุขไปตลอด ที่เรียกว่าประมังสุขขังนี้เกิดจากการใช้มรมาละสมุทยัยมาทำนิโรธให้แจ้งด้วยการเห็นทุกเวลาเกิดทุกข์ขึ้นมาก็ค้นหาสมุทยัยทันทีว่าเป็นความอยากกับอะไรแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าไปละความอยาก ให้เห็นว่าสิ่งที่อย่างนี้เป็นทุกข์ไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันสุขเดี๋ยวเดียวพอมันหมดไปก็ทุกข์ขึ้นมาใหม่แล้วก็ห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้มันจะต้องเป็นอย่างนี้ไปตลอดถ้ามีความอยากแล้วมันก็จะได้ความสุขเดี๋ยวเดียวแล้วก็จะได้ความทุกข์ตามมาเสมอไปนี่แหละคือ งานของพวกเราที่พวกเราควรที่จะรีบขวนขวายรีบปฏิบัติกันเพราะเวลาของเราน้อยลงไปเรื่อยเรื่อยตั้งแต่ที่เราเริ่มต้นฟังเทศมาจนถึงบัด น, นี้เราก็เสียเวลาไปแล้วส่วนหนึ่งหลายสิบนาทีแล้วแล้วนาทีมันก็จะไหลไปเรื่อยเรื่อยเหมือนกับกระแสน้ำเหมือนกับน้ำที่เรามีอยู่ในแท้ง อยู่ในตุ่มถ้าเราปล่อยให้มันไหลออกมามันก็จะไหลไม่หยุดมันจะหยุดก็ต่อเมื่อไม่มีน้ำเหลืออยู่แล้วดังนเวลาของพวกเราก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆ เ, เราก็จะเดินเข้าสู่จุดที่เราจะไม่สามารถที่จะใช้เวลาให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับจิตใจของเราได้เวลาเราแก่เราจะรู้สึกว่าปฏิบัติยาก เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยิ่งยากใหญ่แล้วเวลาตายก็ปฏิบัติไม่ได้เลยเราจึงควรที่ลำเลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยเพื่อเป็นการกระตุ้นความเพียรของเราไม่ให้เราอยู่นิ่งนอนใจอยู่เฉยเฉยทุกเวลานาะทีมีคุณค่าเพราะเราสามารถ ผลิตมากขึ้นมาได้นั่นเองผลิตมากได้เท่าไหร่ก็จะดับความทุกข์ได้มากเท่านั้นถ้าผลิตมากได้เต็มที่ก็จะดับความทุกข์ได้เต็มที่มีเป็นสิ่งที่เราควรจะทำกันเพราะโอกาสที่เราจะได้ทำอย่างนี้และมีผู้คอยบอกทางให้กับเรานี้ นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งนานๆเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาสักครั้งหนึ่งถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาพวกเราก็จะไม่รู้เรื่องของภารกิจที่พวกเราต้องทำกันคือเราจะไม่รู้ว่าเราเกิดมานี้เพื่อมาเจรินมรรคนี้เองเพราะการเจรินมรรคนี้แหละเป็นวิธีที่สร้างความสุขที่แท้จริง ดับความทุกข์ให้กับเราที่อย่างแท้จริงไม่ใช่กับไม่่ใชการสร้างความสุขดับความทุกข์ด้วยการเจริญลาบยศสรรเสริญจเจริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะว่ามันมีความทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเวลาที่เราจเจริญลาบยศสรรเสริญจเจริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เราก็ได้รับความสุขแต่เวลาที่มันเสื่อมเราก็จะได้รับความทุกข์แลมันก็ต้องเสื่อมและมันก็ต้องหมดไปเพราะมันเป็นธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้ที่จะต้องเป็นอย่างนี้เป็นธรรมชาติของร่างกายผู้ที่เป็นเครื่องมือในการหาราบยศเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกเนื้นายที่จะต้อง หมดสภาพไปพอหมดสภาพไปใจก็ไม่สามารถหาความสุขทางนี้ได้ใจก็จะมีแต่ความทุกข์มาแทนที่แต่ถ้าใจมีมักใจก็จะไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือใจมีเครื่องมือที่ดีกว่ามีมักที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้น ถ้าเรารู้จักเจริญรู้จักรักษาธรรมชาติของมรรคนี้ไม่เหมือนกับธรรมชาติของร่างกายที่มีเจริญแล้วจะต้องเสื่อมธรรมชาติของมรรคนี้มีแต่จะเจริญไปถึงขั้นสูงสุดแล้วก็จะอยู่ไปตลอดนอกจากเราไม่เจริญมันเท่านั้นหรือเจริญแล้วก็ยังไม่ถึงขั้นสูงสุดเราก็หยุดเจริญปล่อยปะละเลยอย่างนี้มันก็ เสื่มได้แต่ถ้าเราหมั่นจเจริญอยู่เรื่อยๆมันจะไม่เสื่อมเช่นสติถ้าเราฝึกเจริญสติอยู่เรื่อยๆสติจะไม่มีวันเสื่อมไปจากใจแล้วเมื่อเมื่อมีสติแล้วก็สามารถที่จะเข้าเข้าไปในสมาธิได้เสมอได้ตลอดเวลาต้องการจะเข้าเมื่อไหร่ก็เข้าได้แล้วเมื่อมีใจมีความสงบก็จะเห็นทุกข์เห็นสมทุทัย ภายในใจแล้วก็จะสามารถใช้มรรคเข้ามาละสมุทัยได้ดับความทุกข์ได้ทำนิโรธให้แจ้งได้การเจริญมรรคจึงมีแต่ได้อย่างเดียวไม่มีเสียไม่เหมือนกับการเจริญลาบยศสรรเสริญจเจริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่จะต้องมีวันเสียมีวันหมดไป ดังนั้นเราจะมาเสียเวลากับการเจริญในสิ่งที่เราจะต้องสูญเสียไปหมดทําไมทำไมเราไม่มาเจริญในสิ่งที่จะเป็นของเราไปตลอดจะอยู่กับเราไปตลอดจะให้ความสุขกับเราไปตลอดจะปกป้องคุ้มครองไม่ให้เราต้องไปทุกข์ไปตลอดขอให้เราพิจารณาดูว่าเราควรจะไปทางไหนกันดี ไปทางมรดีหรือไปทางราบยศสเสริญสุขดีถ้าไปทางราบยศสรเสริญสุขก็ไปสู่ความทุกข์ถ้าไปทางมรด์ก็ไปสู่ความสุขที่ถาวรไปสู่การดับทุกข์ที่ถาวรตามแบบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินมาและทรงสอนให้พระอารานตสาวกทั้งหลายดำเนินตาม ผู้ใดดำเนินตามก็จะได้กลายเป็นพระอาหารหันตสาวกได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปไม่ต้องกลับมาพัดภากจากสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆอยู่ในพระนิพพานไปตลอดอย่างไม่มีวันสิ้นสุด อยู่กับวาลมมสุขอยู่กับปรล ม, มังสุขขังไปตลอดนี่เกอเรื่องของพวกเราที่เราควรที่จะคอยสักดันการเจริญมรรคเนี่ถ้าเราไม่สักดันมันจะไม่ไปมันไม่เหมือนกับการเจริญลาบยศสารเสนเจริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ แทบจะไม่ต้องผลักมันเลยมันจะลากเราไปเหมือนกับเดินลงภูเขาเวลาเดินลงภูเขานี่มันเดินง่ายแทบจะไม่ต้องใช้แรงเลยแต่เวลาจะเดินมรรคนี่มันเป็นเหมือนเดินขึ้นเขาถ้าไม่อดทนอดกัน้นถ้าไม่มีความพยายามไม่มีความเพียงมันจะเดินขึ้นไปไม่ได้ ดังนั้นปัญหาของพวกเราส่วนใหญ่ก็อยู่ตรงที่การไม่มีความเพียรนี่เองเราไม่มีความเพียรพยายามเราจึงไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานกันได้ผู้ใดที่มีความเพียรผู้นั้นก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ดังเช่นพระสาวกทั้งหลายท่านเหล่านี้ท่านมีความเพียรพยายามมากท่านทุ่มเทชีวิตจิตใจ ให้กับการเจริญมรรคท่านมีอะไรสมบัติเข้าของเงินทองมีความสุขทางตาหูจมูกลิ่นกายท่านโยนทิ้งหมดเลยท่านไม่เอาท่านเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่ทางไปสู่ความสุขที่แท้จริงไม่ได้เป็นทางไปสู่ความดับทุกข์แต่เป็นทางไปสู่ความทุกข์ไปสู่ความสุขที่ไม่ไม่เที่ยงแค้แน่นอน เป็นความสุขชั่วคราวท่านจึงสลัดทิ้งหมดแล้วทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการสร้างมัจ mm. เพียนตายามสร้างมักทุกเวลานาทีตั้งแต่ตื่นจนหลับบางท่านถึงถือกั บ, ถ, กบถือข้อในสัจชิกเลยคือไม่ยอมนอนเลยกลัวจะเสียเวลานอนเพียงถ้าจะนอนจะหลับก็ให้หลับในท่า ถ้ายืนท่าเดินหรือถ้านั่งแตาจะไม่ยอมเอนหลังลงไปนอนถ้าจะหลับก็ให้มันหลับอยู่ในสามท่านั้นเพราะมันจะหลับไม่นานนั่งสับประงงไปได้สักชั่วโมงสองชั่วโมงก็จะตื่นพอตื่นท่านก็จะเร่งจเจริญความเพียรทันทีจเจริญสติทันทีเดินจงกรมนั่งสมาธิทันทีแล้วถ้าออกมาจากสมาธิก็ มันสอนใจให้เห็นตายรักอยู่เรื่อยๆให้เห็นอสุภะอยู่เรื่อยๆนี่แหละผู้ที่มีความเพียรแบบนี้แหละจึงสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้กันพวกเราถ้าต้องการบรรลุมรรคผลนิพพานก็ต้องมีความเพียรเช่นเดียวกันเพราะความเพียรเป็นเหตุเมื่อมีเหตุแล้วผลคือมรรคผลนิพพานก็จะต้องตามมาอย่างแน่นอน ถ้าไม่มีความเพียรผลก็จะไม่ตามมานี่คือความแตกต่างระหว่างพระอริยบุคคลกับปุถุชนแตกต่างกันตรงที่ความเพียรนี่เองอย่างอื่นไม่แตกต่างกันอย่างอื่นมีเหมือนกันหมดมีอาการสามสิบสองเหมือนกันมีตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนกันมีร่างกายมีจิตใจเหมือนกันต่างตรงที่ว่ามีความเพียรหรือไม่มีความเพียร ถ้ามีความเพียรที่จะเจริญมากมากผลนิพพานมันก็จะต้องตามมาการบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆก็จะต้องตามมาถ้าไม่มีความเพียรมันก็จะวนเวียนไหวอยู่กับการเวียนไหวตายเกิดอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆดังนั้นขอให้พวกเราพยายามปลุกความเพียรของเราขึ้นมาด้วยการระลึกถึงเวลาของพวกเรา ที่จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆวันเวลาของเราผ่านไปผ่านไปเรากําลังเดินเข้าหาความแก่หาความเจ็บเข้าหาความตายกันเรากําลังทําอะไรอยู่กําลังสร้างมรรคหรือว่ากําลังสร้างราภยศชรเสริญสุขอยู่ถ้าเราถามอย่างนี้บ่อยๆเราจะได้รู้ทิศทางของเราว่าเรากําลังเดินไปในทิศทางใด ถ้าเราเดินไปในทิศทางที่สวนกับทางที่พระพุทธเจ้าทรงนำเนินเราก็ควรที่จะยู turn, เทิร์นเลี้ยวกลับถ้าเรายังเดินไปห า, าะลาภยศสารเสริญสุขอยู่เราก็ควรที่จะยู turn, เทิร์นเลี้ยวกลับมาหาการเจริญมาเลี้ยวกลับมาหาการทำทานหาการรักษาศีลหาการภาวนาแล้วเราจะได้ไปถูกทาง ถ้าเราจะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ดีที่แท้จริงไม่ใช่เป็นความสุขปลอมอย่างที่เราอย่างอย่างทางของราภยศสละเสริญจะให้กับเราเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่เคลือบความทุกข์เอาไว้เป็นความสุขชั่วคราวเดี๋ยวเดียวแล้วก็จะเกิดความทุกข์ตามมาแต่ถ้าไปทางมั่ง จะมีแต่ความสุขถาวรแต่จะมีความทุกข์เคลือบไว้อยู่เพราะเป็นการเดินขึ้นภูเขามันการปีนป่ายขึ้นภูเขานี้มันย่อมเป็นเรื่องทุกข์ยากลาบากอย่างแน่นอนแต่เมื่อถึงยอดเขาแล้วมันสบายมันจะสบายไปตลอดทางมรรคนี้เรียกว่าทุกต้นแต่สุขปลายทางาทะลาภยศสารเสริญ สุกนี้เรียกว่าสุขต้นแต่ทุกปลายเราจะเอาอย่างไหนดีเอาสุขต้นทุกปลายดีเลยวเอาเอาทุกต้นแล้วสุขปลายดีเราจะเอาแบบพระพุทธเจ้าดีหรือจะเอาแบบปุตุชนดีปุตุชนตอนที่เขามีกําลังวางฌาเขามีความสามารถเขาก็หาความสุขต่างๆผ่านทางลาบยศเสริญผ่านทางตาหูจนวกร่้นกายได้ พอเวลาที่ร่างกายเขาหมดสภาพไม่สามารถหาได้เขาจะหาอะไรเขาก็จะหาแต่ความทุกข์สายใจของเขาเั้านั้นแต่ทางของพระเจ้านี้ถึงแม้ว่าร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายใจก็ยังเป็นประมังสุขขังอยู่จึงขอฝากเรื่องของการมาสร้างความเพียรกันในวันนี้ ให้ท่านได้เอาไปเตือนสติเตือนใจให้รีบเร่งสร้างมากกันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก่อนที่เวลาอันมีค่านี้จะหมดไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยาถาวาเลวาหาปุราพาเลปุเรนติสารังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปการปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัเะปุเรนตุสังกะปาจันโทปนะระโสยาถามานิโชติ อาณโสุยทถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโกวินสัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขาโยโกภะอภิวัธนาสีลิธะนิจังวุฒาปจายจโนจตารโอธรมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลาง เาต่อไปนี้ก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดปัญหาอยากจะถามปัญหาก็ขอความกรุณาให้ถามผ่านทางไมโครโฟนถ้าเวลาถามตอบเสร็จแล้วจะไม่ขอตอบปัญหาอีกนะถ้าใครอยากจะถามปัญหาก็ขอให้ถามตอนนี้เลยไม่ใช่เวลาเลิกแล้วก็เข้ามาถามกันอ ถามตอนนี้คนอื่นจะได้รับประโยชน์ด้วยยิงยิงนกทีเดียวยิงกระสุนลูกเดียวได้นกหลายตัวดีกว่ายิงกระสุนลูกหนึ่งยิงตัวหนึ่งนี่เป็นแบบเปลือนลูกสองยิงนัดเดียวกระจายไว้ได้หลายตัวมีใครอยากจะถามไหมถ้าไม่มีก็จะให้ทางบ้าน ต่อไปเป็นคำถามจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะคำถามแรกจากคุณวอลลานาเกิดชูเชื่อลูกทำไมมีความสงสัยว่าอะไรพอเห็นมันแล้วก็ไม่เที่ยงบางครั้งพอรู้สึกว่ามันไม่เที่ยงมากๆเข้าแล้วเราจะทำอะไรได้รู้สึกท้อค่ะ ว่าไม่มีอะไรเที่ยงให้คว้าไว้เลยทำไมพระพุทธเจ้าท่านถึงเห็นแดนที่จะสุกได้พระพุทธเจ้าท่านเห็นได้อย่างไรแล้วเราหรือจะเห็นได้เช่นพระพุทธเจ้าคงยากเกินกว่าที่ปัญญาลูกจะเห็นได้สิ่งนี้ทำให้มีความรู้สึกท้อใจค่ะควรแก้ไขอย่างไรดีคะ แสดงว่าใจเรายังไม่สงบพอที่จะเจริญปัญญาเพราะว่ามีความอยากมากอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเราอยู่กับเราเป็นนานๆพอเราพิจารณาเห็นว่าเขาเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่เที่ยงก็จะทำให้ใจของเรานี้เกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายเกิดความทุกข์ขึ้นมา ่ังนั้นเราจึงต้องมาฝึกทาสมาธิทาใจให้สงบก่อนเพราะเวลาใจสงบใจจะเป็นกลางเป็นอุเบกขาแล้วจะไม่มีความอยากที่รุนแรงที่จะอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราอยู่กับเราไปตลอดพอเราพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆเราก็จะปล่อยวางได้ละได้ เพราะเราจะรู้ว่าถ้าเรามีความอยากให้เขาเที่ยงอยากให้เป็นของเราไป น, นานๆเราก็จะเกิดความรู้สึกแบบนี้เกิดความท้อเกิดความทุกข์ขึ้นมาดังนั้นตอนนี้จึงควรที่จะพักการเจริญปัญญาไว้ชั่วคราวก่อนหันมาเจริญสติให้มากๆทำใจให้สงบทำใจให้รวมเป็นอุบเบกขาก่อน พอใจมีอุเบกขามีความสงบมีความสุขในตัวแล้วก็จะปล่อยความอยากในสิ่งต่างๆได้ตอนนี้เราไม่มีความสุขทดแทนพูดง่ายๆเรายังต้องพึ่งอาศัยสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราพอเราไปเห็นว่าเขาไม่เที่ยงเขาต้องจากเราไปหรือเราต้องจากเขาไปเราก็จะเกิดความท้อเพราะเราจะไม่มีความสุขเราจะสูญเสียความสุขไป แต่ถ้าเราได้เจริญสติจนกรทั่งทำใจให้สงบเป็นอุเบกขาได้เราจะได้ความสุขที่ดีกว่าจากความสุขจากการที่ได้สิ่งจากสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้พอเรามีความสุขที่ดีกว่าแล้วทีนี้เราจะเสียความสุขแบบเก่าไปเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเรามีความสุขทดแทนเหมือนกับเรามีรถเก่าแล้วเราไปซื้อรถใหม่มา พอเรามีรถใหม่แล้วรถเก่าเราจะจอดไว้เฉยๆหรือจะยกให้คนอื่นไปเราก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเพราะเรามีรถใหม่ที่ดีกว่ารถเก่าที่เราสามารถไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกอย่างสบายแต่ถ้าเราไม่มีรถใหม่มีรถเก่าเราก็ยังต้องรักต้องหวงมันถึงแม้ว่ามันจะเก่ามันจะ เสีย อ, อยู่เรื่อยๆต้องคอยซ่อมมันอยู่เรื่อยๆก็ยังดีกว่าเดินชั้นใดก็อย่างนั้นถ้าตอนนี้เราไม่มีความสงบอยู่กับใครก็ยังดีกว่าไม่มีใครอยู่ด้วยถึงแม้ว่าจะสุขบ้างทุกบ้างจะกัดกันบ้างจะรักกันบ้างก็ก็ยังทนเอาไว้ยอยู่เพราะมันไม่มีอะไรจะดีกว่านี้นั่นเองแถ้ามันมีอะไรดีกว่านี้มันทิ้งเลยมไม่เอา ดังนั้นกลับมาสร้างความสุขทดแทนให้ได้ก่อนมาสร้างความสงบสร้างสมาธิให้ได้เพราะเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายพอเราได้ความสุขจากคามสงบแล้วเราทิ้งลาบยศสรรเสริญทิ้งรูปเสียงกลิ่นรสปวดทับทะได้อย่างสบายเลยไม่รู้สึกเดือดร้อนเลยจึงต้องกลับมาเจริญสติก่อนทาใจให้สงบ ใจสงบแล้วมีความสุขว่าที่พอพิจารณาของไม่เที่ยงปับโยนทิ้งเลยไม่เที่ยงจะเก็บมันไว้ทำไมเดี๋ยวมันก็ต้องจากเราไปแล้วก็โยนมันไปก่อนดีกว่า mm hmm. นี่คือประโยชน์ของสมาธิถ้าใครไม่ปฏิบัติสมาธิเราจะไปวิปัสสนาเนี่ก็แสดงว่าหลงแล้ว mm hmm. ไปไม่ถูกทางไปไม่ได้ไม่มีวันที่จะไปได้ไม่มีวันที่จะ ตัดสิ่งต่างๆที่ตอนเองยึดติดอยู่ได้คําำถามข้อต่อไปจากคุณสุพิศลาสุกแกมการทำบุญถ้าเลือกที่จะทำบุญเฉพาะกับพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีเท่านั้นจะบาปไหมคะการทำบุญนี้ก็มีสองลักษณะด้วยกันทำบุญเจาะจงกับทำบุญไม่เจาะจงเหมือนกับไปเติมน้ำมันสามปั๊มต่างๆ เราก็อาจจะเลือกปั๊มเติมหรือไม่เลือกปั๊มเติมก็ได้ที่เราเลือกปั๊มเพราะว่าปั๊มนี้อาจจะมีของแจกมีของชิงโชคเราก็จะได้ของแถมนอกจากน้ามันแล้วเราก็ได้ของแถมของแจกด้วยบางปั๊มถ้าปั๊มไหนไม่มีของแจกเราก็ไม่ไปเติมถ้าเราต้องการของแจกฉันใดการทำบุญที่เราเลือกกับไม่เลือกก็เหมือนกัน ถ้าเราทำบุญแบบไม่เลือกเราก็จะได้น้ำมันเติมให้กับใจคือบุญความสุขใจเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าเราต้องการออของแถมเช่นต้องการธรรมะคำสอนต้องการฟังเทศฟังธรรมเราก็ต้องไปหาพระที่เทศเป็นสแสดงธรรมเป็นถ้าไปทำบุญกับพระที่เทศไม่เป็นท่านก็จะให้พรแล้วก็จบถาวายสังฆทานใส่กวดน้ำยะถาสาพีแล้วก็ไล่กลับบ้าน แต่ถ้าเป็นพระที่ท่านเทศท่านสอนเป็นท่านก็จะแสดงธรรมให้เราฟังฝังแล้วดีไม่ดีเราก็จะได้บรรลุเป็นโสดาบันไปเลยก็ได้ด้วยการฟังธรรมอย่างนั้นอยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรในการทําบุญถ้าเราต้องการบุญอย่างเดียวไม่ต้องการฟังธรรมทา ท, ที่ไหนก็ได้ปล่อยนกปล่อยกาก็ได้บุญเหมือนกันคำถามข้อต่อไปจากคุณฟิลคิส พอดีต้องทำรายงานเกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อของชาวพุทธอยากให้ช่วยตอบแบบสอบถามค่ะข้อที่หนึ่งความจริงสูงสุดคืออะไรอะไรเป็นตัวกำหนดว่าสิ่งใดจริงไม่จริงความจริงสูงสุดก็คือสิ่งที่ไม่เสื่อมไม่ดับไม่สลายสิ่งที่ไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งนั้นก็คือใจของพวกเราเอง แต่พวกเรายังไม่เคยเจอใจไม่เคยเห็นใจเราเพราะเราไม่มีกระจกมองใจเราเหมือนกับเราถ้าไม่มีกระจกมองหน้าเราจะไม่รู้ว่าหน้าตาเราเป็นอย่างไรฉันใดเราก็เหมือนกันตอนนี้พวกเรายังไม่รู้จักใจเราไม่เคยเห็นใจของพวกเราเพราะเราไม่มีกระจกส่องใจแว่นดวงใจเนี่ยที่หลวงตาท่านเทศเคืออะไรก็คือการภาวนานี่เราต้องภาวนาต้องเจริญสติ ต้องนั่งสมาธิพอจเจริญสตินั่งสมาธิใจสงบรวมเป็นหนึ่งเราก็จะเห็นใจเห็นตัวที่เป็นความจริงที่แท้จริงตัว น, นี้มันเป็นความจริงอย่างนี้มาตั้งแต่เดือนนำบันแล้จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไอ้ตัวที่เปลี่ยนแปลงต่างๆก็คือของปลอมทั้งนั้นความจริงปลอมเช่นร่างกายเรานี้ก็เป็นความจริงปลอมเหนไวันนี้เป็นอย่างนี้อีกสิบปีก็เป็นอีกอย่างไปแล้ว แคยี่สิบปีก็เป็นอีกอย่างไปละวเปลี่ยน <อ epic. S 1> ไปเรื่อยๆเป็นความจริงที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆความจริงที่ไม่เปลีป่ยนแปลงก็มีอยู่ตัวเดียวนี้ก็คือตัวใจตัวรู้นี่เองต้องเข้าให้ถึงตัวรู้นี้ให้ได้แล้วเราก็จะได้รู้จักตัวเราเองแล้วเราจะได้รู้จักวางตัวของเราให้ถูกว่าเราควรจะวางตัวของเราอย่างไรตอนนี้เราวางตัวผิดเราไปวางตัวบนตัวปลอมไปวางไว้ที่ร่างกายมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ข้อที่สองจุดเริ่มต้นของจักรวาลคืออะไรอะไรคือจุดประสงค์ของการมีอยู่ของจักรวาลคะเรื่องของกับจุดเริ่มต้นนี้พระพุทธเจ้าก็เคยท่งพิจณาทรางย้อนท่งย้อนชาติกลับไปพอส่งระลึกชาติได้ก็ส่งย้อนกลับไปย้อนไปเท่าไหร่ย้อนไปเท่าไห ร, ไไหร่ก็ไม่เคยเจอจุดเริ่มต้นจนในที่สุดพอก็เลย หยุดย้อนแล้วก็พิจารณาเห็นว่ามันไม่เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องรู้เพราะจะรู้ว่าจาักราวาลเริ่มขึ้นเมื่อไหร่เรือหรือดับไปเมื่อไหร่นี้ก็ไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงปัญหาของเราไม่ได้มาแก้ปัญหาของเราปัญหาของเราก็คือความทุกข์ใจอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะให้ความสาคัญมากกว่าการไปสนใจในเรื่องของการ ไปหาความตอบว่าจากัจา ก, กรวาลเริ่มต้นมาเมื่อไหร่เนี่ยมีสิ่งอยู่ี่อย่างที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราอย่าไปสนใจคิดให้เสียเวลาเพราะมันเป็นอจินไต่มันเกินความสามารถของพวกเราที่จะพิจารณารู้ได้ก็คือเรื่องของการเกิดของจั ก, กรวาล น, นี่หนึ่งเรื่องของกรรมหนึ่งเรื่องของความสามารถของพระพุทธเจ้า ในเรื่องของฌานของพวกนี้เรานั่งคิดไม่ได้เราต้องปฏิบัติเราถึงจะเข้าถึงมันได้ข้อที่สามมนุษย์คืออะไรในศาสนาพุทธจุดเริ่มต้นของมนุษย์มาจากไหนมนุษย์เกิดมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรคะ่ะก็ 3. มนุษย์ก็คือคนที่ถามปัญหานี่แหละ <c oughs> <c oughs> หาให้เจอ มนุษย์ก็คือผู้ที่เกิดแก่เจ็บตายผู้ที่มีอาการสามสิบสองนี่เรียกว่ามนุษย์ถ้ามีหางก็เรียกว่าเดรฉาณต่างกันมนุษย์กับเดรชาณ์ต่างกันตรงที่มีหางหรือไม่มีหางแต่อย่างอื่นก็เหมือนกันมีอาการสาสิบสองเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันจุดเริ่มต้นของมนุษย์ก็อยู่ที่ท้องแม่เวลาพ่อก็ เวลาพ่อเอาเชื้อไปผสมผสมกับเชื้อของแม่แล้วก็มีดวงวิญญาณคือจิตใจของพวกเรานี่ไปสถิตไปครอบครองอยู่ก็ทำให้เกิดการปฏิสนธิขึ้นมาเมื่อเกิดการปฏิสนธิก็เกิดเริ่มการก่อร่างสร้างตัวสร้างอาการสามสิบสองขึ้นมาตามลำดับสร้างผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกพอครบสามสิบสอง ร่างกายเติบใหญ่จนไม่สามารถอยู่ในท้องแม่ได้ก็ถูกคลอดออกมาพอคลอดออกมาก็ได้รับเติมอธาตุสี่คือได้เติมน้ําเติมอากาศเติมอาหารที่เป็นมาจากดินร่างกายก็มาจากดินน้ําลมไฟนี่เองมาจากธาตุสี่ดินน้ําลมไฟแล้วก็จะเจริญเติบโตไปจนถึงขีดสูงสุดอายุสี่สิบกว่าแล้วก็เริ่มนับถอยหลัง จากสี่สิบก็จะเริ่มแก่ลงไปทีละเล็กทีละน้อยพอถึงแปดสิบเก้าสิบก็หยุดทำงานร่างกายที่ทำมาจากดินน้ำลมไฟก็จะแยกตัวกันไปบุบสลายไปย่อยสลายไปน้ำก็ไปทางน้ำดินก็ไปทางดินลมก็ไปทางลมไฟก็ไปทางทา ง, ทางไฟนี่คือจุดเริ่มต้นและจุดจบของร่างกายเป็นอย่างนี้ข้อที่สี่ มนุษย์ตายแล้วจะไปไหนสำหรับพุทธศาสนาแล้วความตายมีความหมายหรือคุณค่าหรือไม่ค่ะก็มื่อที่เราฟังร่างกายของมนุษย์ก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟแต่ใจผู้ที่มาครอบครองร่างกายก็ไปตามบุญตามบาป ท, ที่ทําไว้เวลาตายบุญกับบาป ท, ที่ทําไว้นี้จะมาแย่งใจไปเหมือนกับเอ่อเอ่อ พ่อแม่มาเลมาแย่งลูกก<ม>ัน so ถ้าใครมีกำลังมากกว่ า, าก็ได้ลูกไปถ้าพ่อมีกำลังมากกว่า Hungary. พ่อก็จะเอาลูกไปถ้าแม่มีกำลังมากกว่าแม่ก็จะเอาลูกไปฉันใดถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบาปก็จะเอาใจไปถ้าบาปเอาไปบาปก็จะไปอบายบาปก็จะพาไปอบายไปได้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปตกนรก นี่เป็นถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญนะถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปก็จะเดึนใจไปสวรรค์ชั้นต่างๆไปสวรรค์ชั้นเทพไปสวรรค์ชั้นพรหมถ้าไปสองชั้นนี้ไปแล้วยังต้องกลับมาเกิดใหม่แต่ถ้าไปสวรรค์ชั้นที่สามไปสวรรค์ชั้นของพระอริยเจ้านี่ไปแล้วไม่กลับมาเกิดหรือกลับมาก็กลับมาเกิดไม่นานกลับมาไม่นาน เช่นถ้าเป็นโสดาบันก็จะกลับมาเกิดเพียงเกีดชาติเป็นอย่างมากถ้าเป็นสกิดาคามีขั้นที่สองก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพียงชาติเดียวถ้าเป็นอนาคามีก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ติกต่อไปจะไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นพรมแล้วก็จะบรรลุไปถึงพระนิพพานที่ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนี่คือที่ไปของใจหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วขอ้อที่ห้า จริยธรรมคืออะไรอะไรเป็นบรรทัดฐานหรือมาตรฐานของจริยธรรมและใครหรือสิ่งใดเป็นตัวกําหนดคะจริยธรรมก็คือการกระทำํำทางกายวาจาใจที่เป็นไปเพื่อความสุขและความเจริญทั้งของตนเองและของผู้อื่นสิ่งที่จะกําหนดก็คือศีลธรรมศีลศีลก็คือข้อห้ามต่างๆ เช่นห้ามค่าสัตว์ลักทรัย์ประพฤติผิดประเวณีพูดป่นเสจจุรายาเมาและอบายมุขต่างๆเพราะว่าการกระทําเหล่านี้ไม่ได้นําไปสู่ความเจริญและความสุขแต่นําไปสู่ความเสื่อมและความทุกข์ส่วนธรรมก็คือการควบคุมจิตใจไม่ให้โลภ ไ, ไม่ให้โกรธไม่ให้หลงเพราะใจโลภโกรธหลงแล้วมันก็มักจะไปทําบาปทํากรรมถ้าใจไม่โลภไม่โกรธไม่หลงใจก็จะไม่ไปสร้างบาปสร้างกรรมให้กับใคร ข้อที่หกอะไรที่ระบุถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์อะไรเป็นบรรทัดฐานและใครเป็นคนกําหนดคะธรรมชาติเป็นผู้กําหนดบรรทัดฐานของของใจหรื อ, ห ร, อ, ห, รอหรือคุณลักษณะของมนุษย์นี้ก็คือการมีศีลห้าผู้ใดมีศีลห้าผู้นั้นก็จะเป็นมนุษย์ ถ้าขาดชิ้นห้าก็จะเลื่อนเลื่อนลงไปสู่การเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกตามลาดับอย่างที่เมื่อกี้พูดไว้ว่าเวลาที่จิตตายเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วบุญกับบาปจะมาแยกร่างกายไปถ้าบุญกับบาปมีกําลังเท่ากันบุญก็เอาไปาไปสวรรค์ไม่ได้บาปก็เอาไปอาบายไม่ได้ใจก็จะยังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ พราแสดงว่าไม่ได้ทําบาปเอแต่ก็ไม่ได้ทําบุญรักษาศีห์ห้าแต่ไม่ทําทานเสียดายเงินตายไปก็เลยไม่ได้ไปเที่ยวสวรรค์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะว่าไม่ได้ทําบาปไม่ได้ทําผิดศีห์ห้าคำถามต่อไปจากคุณอัญชนาโพทองหนูดีขึ้นแล้วจากความพยายามไม่คิดถึงคนที่เบียดเบียนเรา จนเราได้ทุกคิดว่าเราไม่เคยรู้จักคนคนนี้หนูอ่านโพสและเดินจงกลมบ้างนั่งสมาธิบ้างหนูหนูกราบขอความรู้ค่ะหนูนั่งสมาธิพุทโธจิตหนูรวมยากอย่างมากหนูก็สงบกับลมหายใจพุทโธช่วงหนึ่งบางทีนั่งแล้วเหมือนจะหลับแต่ถามตัวเองว่าหลับไหม ตอบตัวเองได้ว่าไม่หลับค่ะหนูกราบขอคําแนะนําค่ะต้องจเจริญสติให้มากก่อนที่จะมานั่งนี่ต้องมีสติเวลานั่งแล้วเจ็ดอยู่กับพุทธโธอย่างเดียวหรืออยู่กับลมหายใจอย่างเดียวแล้วก็ไม่ต้องมาถามตัวเองคุยกับตัวเองเพราะยิ่งถามยิ่งคุยมันยิ่งไม่สงบใหญ่เวลานั่งนี่ต้องไม่คุยไม่คิดทั้งนั้นให้อยู่กับพุทธโธอย่างเดียว การที่จะมีพุโทโธอย่างเดียวได้ก็ต้องเจริญพุโทโธมาก่อนที่จะมานั่งถึงบอกว่าต้องเจริญตั้งแต่ตื่นมาเลยพอตื่นขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปพอมีเวลาว่างเวลามานั่งมันก็จะสงบง่ายถ้าไม่มีพุโทโธเลยมาเริ่มตอนที่มานั่งมันนี่ก็พุโทโธได้สองคำมันก็หายไปแล้วคำถามต่อไปจากคุณภูสิทธวีพัฒนาพงศ์ข้อที่หนึ่ง อะไรที่ได้ชื่อว่าเป็นภัยอันตรายของนักปฏิบัติธรรมสามารถแบ่งเป็นภัยจากภายนอกและภายในได้ไหมครับและมีวิธีป้องกันภัยนั้นๆอย่างไรครับภัยของนักปฏิบัติภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะเวลานักปฏิบัติต้องไปอยู่ที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะ อย่าไปนั่งสมาธิที่หน้าโรงภาพยนต์หรือศูนย์การค้าให้ไปนั่งสมาธิในป่าในป่าช้าที่นั่นจะเป็นที่ปลอดภัยเรียกว่าภา ย, ย, ยนอกภายภายในก็คือกามาฉันทะนี่เองความอยากเสกรูปเสียงกิน่นรสโผฏรัพพะข้อที่สองนักปฏิบัติผู้มาใหม่ที่จะขอเข้าปฏิบัติธรรมที่วัดยาน มีข้อควรปฏิบัติอย่างไรบ้างครับที่วัดยานี่เขามี ม, มีกฎว่าผู้ที่มาอยู่วัดต้องรักษาสิงหแปแล้วก็ต้องมีพระิกโ์ลงบทชเช้าเยน็นไสร้พระสวนมนกับนัางสมาธิจะอยู่ก็ต้องมาจองที่พักก่อนจะให้อยู่ข้างมาเจ็ดวันนี่คือกฎระเบียบของทางวัดยาณสงวาลา คำถามต่อไปจากคุณพทัยรัฐการขายลอตเตอรี่ถือว่ากระทา ผ, ผิดศีลผิดธรรมหรือเป็นเรื่องที่ไม่ควรกระทาตามหลักาศาสนาพุทธหรือไม่ครับอ่านนี้มันก็เป็นจะว่าขาวก็ไม่ขาวจะว่าดำก็ไม่ดำมันเป็นกลางมันก็เป็นกระดาษขายกระดาษขายฟัง <c oughs> อยู่ที่คนซื้อมากกว่าว่าซื้อแบบไหนถ้าซื้อด้วยความโลภ ก, ก็เป็นก็ไม่ดีแต่ถ้าคิดว่าเป็นการทําบุญเป็นการเสี่ยงโชคก็ไม่เป็นปัญหาเพราะเงินที่ได้จากขายสลากเขาก็เอาไปทำประโยชน์ไปสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลสงเคราะห์คนยากคนจนถ้าคิดว่าเป็นการทําบุญเสี่ยงโชคเสี่ยงอันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าทาเพื่อที่จะเอาให้ร่ำให้รวย ซื้องวดละทีหลายหมื่นหลายแสนอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการเล่นการพนันแลมันก็อยู่ที่ผู้ซื้อว่าจะซื้อแบบไหนแต่คนขายก็เป็นคนขายสินค้าอันหนึ่งเท่านั้นเองคำถามต่อไปจากคุณจินกลิ่นจันหนูต้องการถือศีลแปดหนูปฏิบัติมานานแต่ไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่ หนูนั่งสมาธิได้ไม่นานจิตไม่สงบค่ะแต่หนูชอบเดินจงกรมมากกว่าค่ะหนูเดินได้นานเป็นชั่วโมงรู้สึกตัวล อ, อยและเบาสบายมากค่ะหนูจะทำอย่างไรให้จิตสงบนั่งได้นานๆคะก็หลังจากที่เดินแล้วก็มานั่งดูคืออย่าเดินอย่างเดียวเดินเสร็จแล้วก็มานั่งต่อถ้าจิต สงบจากการเดินเวลามานั่งมันก็จะสงบได้เหมือนกันฉะนั้นต้องพยายามนั่งด้วยสลับกับการเดินเพราะว่าการนั่งนี้มันจะสงบมากกว่าการเดินเพราะเวลานั่งนี้จิตจะปล่อยร่างกายได้อย่างเต็มที่จะรวมเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่เวลาเดินนี้จิตยังต้องประครับประครองร่างกายอยู่จิตปล่อยร่างกายไม่ได้นอกจากมีเหตุการณ์ที่มัน ถ้าทายต่อความเป็นความตายจิตก็อาจจะปล่อยได้แต่ถ้าไม่มีเหตุการณ์แล้วมันจะไม่ปล่อยเพราะมันจะต้องคอยสั่งให้เดินก้าวซ้ายเท้าซ้ายเท้าขวาอยู่แต่ถ้าไปเจอเดินไปเจอเสือนี่มันตกใจมันวุบเข้าไปเลยมันปล่อยหมดเลยล่างกงร่างกายอย่างนั้นมันก็รวมได้แต่ถ้าปกติแล้วต้องนั่งมันจะรวมง่ายกว่าเดิน แต่เดินเ่ดีแล้วเดินก่อนเดินจน ก, กระทั่งจิตสงบแล้วค่อยไปนั่งก็จะนั่งได้ที่นั่งไม่ได้เพราะว่าตอนต้นจิตมันคิดมากจิตมันมีความอยากมากมันยังอยากจะเดินมันไม่อยากจะถูกจับบังคับให้อยู่ในท่านั่งก็ให้มันเดินไปเดินไปจน ก, กระทั่งมันเมื่อยมันมันสงบแล้วทีนี้ก็มานั่งได้คำถามต่อไปจากคุณกะนกศีวัฒนา มีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าให้เมตตาตนก่อนเมตตาผู้อื่นดังนั้นเพื่อนเขาต้องการช่วยเหลือตัวเองก่อนมีอะไรก็เก็บไว้ใครเดือดร้อนก็ไม่ช่วยเหลือเขาให้เหตุผลว่าเขาต้องเมตตาตัวเองก่อนเพราะเขาต้องทำมาหากินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองทำไมต้องไปช่วยเหลือคนอื่น เพราะคนอื่นก็ต้องช่วยเหลือต น, ตนเองไม่ต้องเสียสละอะไรให้ใครเพราะต้องเมตตาตัวเองก่อนเพื่อนคนนี้เขาเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าผิดใช่ไหมคะที่ถูกต้องความหมายที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นั้นหมายความว่าอย่างไรคะพระพุทธเจ้าทรงสอนทางสายกลางคือไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป ขั้นต้นเราก็ต้องดูแลร่างกายชีวิตของเราก่อนแต่ถ้าเรามีส่วนเกินมีเหลือเราก็ไม่ควรที่จะหวงเราก็ควรจะแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นถ้าเรายังไม่อยู่ในฐานะที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้เราก็ต้องงดไว้ก่อนแต่ถ้าเราอยู่ในฐานะที่เราช่วยเหลือได้เราก็ควรที่จะช่วยเหลือเพราะการช่วยเหลือผู้อื่นนี้เป็นประโยชน์กับใจเราเป็นบุญเป็นกุศล เป็นการพัฒนาจิตใจของเราให้ก้าวขึ้นสู่ขั้นศีลขั้นสมาธิขั้นปัญญาได้ถ้าเราไม่มีจาคะไม่มีการเสียสละไม่มีการแบ่งปันเราอ้างว่าต้องดูแลรักษาตัวเราเพียงอย่างเดียวทั้งๆที่เราสามารถที่จะแบ่งปันได้ทั้งๆที่เราสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้แต่เรากลับไม่ทำเราก็จะติดอยู่กับแค่ขั้นขั้นที่เรา เป็นอยู่ก็คือเป็นมนุษย์ที่ตนันิตายไปก็ไม่มีโอกาสที่จะไปสวรรค์แล้วถ้าไม่ระมัดระวังถ้าทํำบาปตายไปก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตต่อไปได้นี่คือเรื่องของความตนันิเรื่องของความหวงความไม่มีใจบุญสุนทานคําถามต่อไปจากคุณพิมพ์ิมณดาลินขอสรุปคําถามนะคะ ช่วงนี้งานยุ่งแต่ก็ได้นั่งสมาธิบ้างเน้นดูจิตเท่าเท่าทันความคิดความรู้สึกทันไม่ทันก็ก็ปล่อยมีสภาวะอะไรก็ปล่อยพอเขาดับก็วางมีความยินดีพอใจก็พยายามรู้แล้วปล่อยวางแต่ก็มีตอนที่ทำไม่ได้ก็เยอะมากกว่าแล้วเราก็ดูอารมณ์ เน้นที่ใจเราเป็นเช่นไรปัจจุบันต่อปัจจุบันมันก็เข้าใจเข้าใจมากขึ้นค่ะแต่มันยังรู้สึกห้งูดหงิดมีกำลังน้อยลงและมีผิดศีลอยู่แต่ว่าแบบไม่เจตนาลูกรู้สึกว่าเหมือนเห็นทรรมแผล ม, มแล้วรู้สึกใกล้พระโสดาเหมือนเราพอเห็นที่หมายแต่ต้อง แยบคายและตั้งใจต่อไปลูกเดินมาถูกทางแล้วใช่ไหมคะมันเป็นไปได้ไหมคะที่รู้สึกว่ามันใกล้เป็นการเดินผิดทางเพราะเป็นเดินการเดินข้ามขั้นตอนไปข้ามขั้นตอนแรกก็คือการเจริญสติไปดูจิตเลยดูจิตก็ดูได้แต่ดูแลเราควบคุมบังคับมันไม่ได้ เพราะเราไม่มีเครื่องมือที่จะคอยควบคุมบังคับมันดังั้นเราควรจะกลับมาที่ขั้นขั้นที่หนึ่งก่อนก็คือมาเจริญสติก่อนมาสร้างเครื่องมือหยุดจิตให้ได้ก่อนพอหยุดจิตได้แล้วจิตก็จะสงบมีความสุขพอมีความสุขแล้วไปดูจิตก็จะสามารถที่จะคอยควบคุมมันได้เวลามันจะ ไปนอกลูก้นอกทางก็มีเครื่องมือที่จะดึงมันไว้หยุดมันได้ดังนั้นให้กลับมาที่จุดเริ่มต้นก่อนก็คือการจเจริญสติอย่าไปดูจิตเลยการดูจิตนี่ก็ขึ้นอยู่กับสติของเราวันไหนสติเราดีก็หยุดมันได้วันไหนสติไม่ดีสติแต่ก็เป็นบ้าได้เัง น, นควรที่จะกลับมาฝึกสติให้มันเป็นมาตรฐานให้มันเป็น ให้มันเป็นเครื่องมือที่เราสามารถที่จะใช้ในการควบคุมความคิดของเราให้ได้ทำให้มันสงบให้ได้แล้วต่อไปเวลาจิตพยศเราจะหยุดมันได้ถ้าเราไม่มีสติเวลาจิตพยศนี้เราจะหยุดมันไม่ได้คำถามต่อไปจากคุณไกลสักด์แกนพักดีขอสรุปคำถามนะคะข้อที่หนึ่งตอนนี้ผมต้องการกําลังใจในการปฏิบัต ผมอยากบวชเพื่อศึกษาธรรมในพระพุทธศาสนาแต่จิตใจไม่ฮึกเขิมเหมือนเดิมมีแต่จะถดถอยผมกลัวว่าบวชแล้วจะไปไม่ถึงไหนก็ลาสิขาออกมาเหมือนเคยผมกลัวมากดังนั้นจึงอยากขอแนวทางจากหลวงพ่อว่าจะจัดการกับจิตใจโลเลไม่สู้ดีอย่างไรเมื่ออยู่คนเดียวครับ เราไปหาครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วไปอาศัยอยู่กับท่านไปก่อนไปเป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านไปเป็นผ้าขาวให้ท่านอบรมสั่งสอนให้ได้เห็นจริยาวัดอันดีงามของท่านได้ยินได้ฟังธรรมของท่านแล้วเราก็จะได้มีกำลังจิตกำลังใจที่จะที่จะปฏิบัติได้ข้อที่สอง ส่วนเวทนาในขณะนั่งนานๆมันค่อยๆแยกจนละเอียดเข้าแล้วดับลงงงครับเพราะผมไม่มีสติรู้แต่มันดับได้อย่างไรเรื่องของเวทนานี้เราไม่ต้องไปสนใจมันอ่ะมันเป็นอนิจจังมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของมันเอง เวลาเกิดทุกขเวทนานี่สิ่งที่เราต้องระวังก็คือใจของเราว่าอย่าไปทุกขกับมันเท่านั้นเองสิ่งที่เราต้องคอยควบคุมบังคับก็คือใจของเราอย่าไปทุกขกับเวทนาที่เกิดขึ้นใจของเราทุกขเพราะอะไรเพราะทุกขเพราะเราอยากจะให้เวทนามันดับอยากจะให้มันหายพอเกิดความอยากขึ้นมาในี่ใจจะทุกขขึ้นมาที่รุนแรงกว่าความเจ็บของทางร่างกาย อันนี้เป็นตัวที่เราต้องแก้เป็นปัญหาของเราเกิดจากความอยากของเราเองเราต้องสอนใจว่าทุกขเวทนาความเจ็บของร่างกายนี้เราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้เขาจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างไรช้าหรือเร็วนี่เราไปกำหนดไม่ได้แต่สิ่งที่เรากำหนดได้ก็คือทุกข์ภายในใจของเราเราดับมันได้เราห้ามไม่ให้มันเกิดขึ้นได้ด้วยการ สอนใจไม่ให้ไปอยากให้ทุกขเวทนาหายไปหรือดับไ ป, หไ ป, หไปให้เรามองว่าเราต้องอยู่กับเขาเราต้องปฏิเสธเขาไม่ได้ถ้าเราทำใจได้แล้วใจเราจะไม่ทุกข์แล้วเราจะอยู่กับทุกขเวทนาของทางร่างกายได้อย่างสบายไม่รู้สึกเดือดร้อนขอ้อที่สาม ทำบทใดที่คิดแล้วบางทีคิดจบมันโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกครับบางวันคิดเท่าไหร่ก็วนอยู่ที่เดิมไม่ลงสักทีมันก็เลิกคิดครับส่วนความคิดที่ไม่มีประโยชน์นี้โผลมาสติรู้ทันก็ดับไม่ทันก็แย่พอไม่ทันบ่อยๆมันผลิตอารมณ์ ตอนนี้ผมคิดว่าผมเอาดีไม่ได้แล้วแน่ๆเลยครับขอความเมตตาหลวงพ่อชี้แนะแก้ไขเพื่อการภาวนาต่อไปด้วยครับก็อย่างที่แสดงไว้อยู่เรื่อยๆว่าทำสามขั้นนี่มันเป็นสามที่ต่อเนื่องกันคือสติแล้วถึงจะสมาธิแล้วค่อยปัญญาถ้าสติเรายังไม่ดีเราไปทางปัญญามันก็อย่างนี้แหละบางวันก็ เห็นตารักมันก็สงบได้บางวันก็ไม่เห็นแต่ถ้าเราเอาสติแล้วก็เอาสมาธิแล้วค่อยไปทางปัญญานี้ถ้าทำให้มันถูกเป็นระบบเนี้ยต่อไปมันจะเห็นตลอดเวลามันจะเห็นตารักตลอดเวลาจะเห็นทุกเวลาเกิดขึ้นภายในใจแล้วมันก็จะแก้ปัญหาได้ฉะนั้นตอนตอนี้ก็ให้กลับมาเจริญสติทำใจให้รวมก่อ น, <ต>อน ทำใจให้รวมเป็นสมาธิแล้วก็ออกจากสมาธิมาก็สอนใจให้มองให้มองทุกสิ่งทุกอย่างให้เห็นเป็นใจรักให้ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเ อ, อไม่เที่ยงแล้วต่อไปมันจะต้องการปัญหาเรื่องหยุดปัญหาได้อย่างง่ายได้หมดคําถามแล้วค่ะหลวงพ่อคําถามหมดแนละ้วเออก็ดีตั้งไว้ห่างๆก็ไม่เป็นไรใช่ไหเอ่อ ก็ต้องศึกษาไปนี่เขาเรียกว่าปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็จะรู้เองนั่งสมาธิก็เหมือนกันถ้ามานั่งคุยกันแล้วไม่นั่งสักทีมันก็ไม่รู้ออ้นี้ก็เหมือนกันต้องมีปฏิบัติวางตรงไหนจุดไหนดีจุดไหนมีปัญหาจุดไหนไม่มีปัญหาก็ไม่เป็นไรนี่เป็นเรื่องของการเรียนรู้ถามมีคาถามอาจารย์มัจการพระอาจารย์ครับจะสอบถามเรื่องการปฏิบัติครับ ยังคือยังสงสัยเรื่องของช่วงที่เป็นฌานกัยานนะครับจากฌานที่มันเดินไปหนึ่งถึงสี่อย่างนี้ครับฌานแปลว่าการเพ่งาการรวมของจิตคือชอบความสงบยานนี้เป็นความอย่างรู้เป็นปัญญาเป็นคนละคำกันทีนี้จากช่วงที่จะเป็นฌานหนึ่งไปสี่อย่างนี้ครับช่วงตรงนั้นเนี่ยยานแต่ละแต่ละระดับนี้มันมันเริ่มขึ้นมามนไม่มีมไม่มียานมีแต่ มีแต่ความสงบมีแต่ความสงบเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆญาณ น, นี้ต้องออกมาจากความสงบแล้วเจริญปัญญาถึงเจะเกิดญาณอย่างทราบว่า อ, อ๋อเราละสักกายทิฏฐิได้แล้วเราละสีรักพัฒตาปัลลามาตได้แล้วเราละวิจิตกิจฉาได้แล้วอย่างนึ้ถึงเรียกก็เป็นญานรู้ว่าเราได้ทำอะไรรู้ื่วงไปได้แล้วแก้ปัญหาในใจของเราได้แล้วอันนี้ถึงเรียกก็เป็นญาน แต่ชานนี้เป็นการนิ่งความสงบของใจเป็นคนละเรื่องกันเป็นเรื่องของสมาธิเป็นชานเรื่องของยานนี้เป็นเรื่องของวิปัสสนาเรื่องของปัญญาแล้วแล้วช่วงที่ยานเกิดนะครับหมายถึงว่าเราต้องไปจนถึงชาสี่จนถึงจุดพลังอํานาจแล้วใช่ไหมครับคือ ถ, ถ้าเราอยู่ในชานได้ชาสี่แล้วในขณะที่อยู่ในชานสี่ยานจะไม่เกิดขึ้นมานะมันจะมีความนิ่งมีความสงบมีความว่างอุเบกขา มันไม่มีวันที่จะมียานปรากฏขึ้นมายานจะปรากฏต่อเมื่อเราออกมาจากจากสมาธินั้นแล้วเราใช้ปัญญาพิจารณาสภาวะธรรมเราเห็นว่าเขาเป็นไตรลักษณ์เห็นว่าเป็นอสุภะล้วก็จะเกิดยานขึ้นมาครับแล้วพระโสดาบันนี่คือต้องเห็นยานนักสิบหกยานนะครับก็เห็นเห็นสามันญเห็นว่าอกายอขันห้าไม่ใช่ตัวเราของเราเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เห็นว่าการกระทำนอกเหนือจากคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นการกระทำที่ดับความทุกข์ใจที่เรียกว่าสีลพัตตปัลามะก็เห็นแค่นี้ก็เป็นพระสุดาบัไดา mm hmm. เห็นก็คือเช่นเห็นนอกร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายต่อไปก็บรรลุได้ขั้นส่วนหนึ่งแล้ว แล้วถ้าเห็นความจริงอันนี้ก็จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงแล้วก็จะไม่ไปทํากายกระทําที่ไม่ใช่เป็นวิธีที่ดับทุกข์เช่นไปไปบูชายันไปไปไประกอบพิธีกรรมอะไรต่างๆไม่ใช่เป็นวิธีการที่จะมาดับความทุกข์ใจความดุครับดับความทุกข์ใจต้องดับด้วยศีลสมาธิปัญญาช่วงที่นั่งบังครั้งนะครับ คือมันจะมีเหมือนเป็นจิตอกุศลขึ้นมาอย่างนี้ยครับทําให้เราแบบสะดุง้งพอเราเห็นอย่างนี้ครับเราเลึกสะดุง้งก็พิจารณาว่าเป็นตายรักไปอย่าไปนสนใจเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปห้ามมันไม่ได้รเรากลับมาที่สติของเรากลับมาที่การภาวนาของเราไม่ว่าอะไรจะดีก็เป็นตายรักอะไรไม่ดีก็เป็นตายรักมันไม่มีปมันไม่เป็นสิ่งที่เราควรจะไปยุ่งด้วยเพราะมันจะทํา รบกวนความสงบของใจเราควรที่จะเกาะติดอยู่กับการภาวนาของเราไปครับขอบพระคุณครับอีมกายา ก, กระถามอยอ่ไหมถ้าไม่มีก็คิดว่าสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อความจเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอด